อนิยตสัพนี้แปละว่าไม่แน่เป็นชื่อของวิติกมะคือความละเมิดพระบัญญัติแปลว่าวิติกมะที่ไม่แน่เป็นชื่อของสิกขาบทแปลว่าวางอาบัตไว้ไม่แน่มีสองสิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึ่งภิกษุใดผู้เดียวสำเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนกําบัง พอจะทำการได้กับมาตุกคามผู้เดียวอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้เห็นภิกษุกับมาตุกคามนั้นนั่นแล้วพูดขึ้นด้วยธรรมสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยปาราชิกก็ดีสังฆาทิเศตก็ดีด้วยปาจิตติก็ดีภิกษุปฏิญญาซึ่งการนั่งพึงถูกปรับด้วยธรรมสมประการคือด้วยอาบัติปาราชิกบ้างด้วยสังฆาทิเศตบ้าง โดยพาจิตตีบ้างอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อถือได้นั้นกล่าวทำใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้นนี้ชื่ออนนยศความแห่งสิกขาบทนี้มัวมากจึงเข้าใจยากทีเดียวพระคันธาราชนาจารย์ก็หาแก้ไว้ชัดเจนไม่เป็นแต่แก้กล่าวโดยใจความว่าอุบาสิกาผู้ชี้วัตถุอย่างนี้หรืออย่างนั้นก็ตาม ให้ฟังเอาตามคําปฏิญญาของภิกษุเป็นใหญ่เพราะบางทีความเห็นนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนไปก็ได้จริงอยู่แม้คนมีวาจาที่เชื่อถือได้มาบอกว่าได้เห็นเช่นนั้นเช่นนั้นไม่ได้ตั้งใจจะใส่ความเลยแต่เขาอาจจะสําคัญตัวผิดก็ได้และยังไม่พิจารณาไต่ฐามภิกษุก่อนจะปรับโทษตามคําพูดทีเดียวอย่างมีผู้มาฟ้องลูก มารดาตีให้ทีเดียวไม่ต้องชำระเั่งนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่แต่ถ้าหมายความอย่างนั้นคุณบทของอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อถือได้นั้นก็หาประโยชน์ไม่ได้เพราะจะเอาตามปฏิญญาของภิกษุเป็นใหญ่ก็ไม่ต้องมุ่งหลักฐานของคนพูดและการแสดงไว้สองภาคโดยประรการนั้นก็หาประโยชน์ไม่ได้เหมือนกัน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคุณบทว่ามีวาจาควรเชื่อถือได้นั้นกล่าวไว้สำหรับแสดงหลักฐานของผู้พูดจะให้ฟังเอาเป็นจริงได้อย่างมารดาได้รับฟ้องแล้วตีเด็กแต่ในชั้นหลังรู้สึกว่าเป็นทำไม่พอจึงแก้ว่าอุบาสิกามีวาจาที่จะเชื่อได้นั้นเป็นอริยสาวิกาส่งขึ้นไปสูงลิฟ์ทีเดียว ข้อที่แสดงไว้สองภาคโดยปริกับนั้นภาคตนแสดงความว่าอุบาสิกานั้นพูดไม่ยันลงไปชัดว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นแต่พูดว่าคงทำวีติกมะสมอย่างนั้นอย่างได้อย่างหนึ่งเช่นนี้ได้อาจจะรู้ได้จากทางอื่นจึงต้องเอาตามปฏิญญาของภิกษุข้อนี้ควรถือเป็นแบบสําหรับตัดสินอธิการ อันหาพยานไม่ได้ภาคหลังแสดงว่าถ้าอุบาสิกานั้นพูดยันลงไปว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นแม้ภิกษุไม่รับท่านให้ปรับตามคำของเขาข้อนี้ในชั้นหลังควรถือเป็นแบบสำหรับตัดสินอธิกรตามรูปความที่พิจารณาและควรฟังได้อย่างไรตามคำพยานในเมื่อจำเลยปฏิเสธข้อหา สิคาบทที่สองว่าอันหนึ่งสถานหาเป็นอาสนะกำบังไม่เลยทีเดียวหาเป็นที่พอจะทำการได้ไหมแต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาช่วยหยาบได้อยู่แลพิกษุใดผู้เดียวสำเร็จการนั่งในที่ลับกับด้วยมาตุคามผู้เดียวในอาสนะมีรูปอย่างนั้นอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดเห็นภิษุกับมาตุคามนั้นนั่นแล้ว พูดขึ้นด้วยทรสองประการอย่างได้อย่างหนึ่งคือด้วยสังฆาทิเศษก็ดีด้วยปจิตติก็ดีภิกษุปติญญาซึ่งการนั่งพึ่งถูกปรับด้วยทรสองประการคือด้วยสังฆาทิเศษบ้างด้วยปจิตติบ้างอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อถือได้นั้นกล่าวด้วยทมใดภิกษุนั้นพึ่งถูกปรับด้วยธรรมนั้นแม้ธรรมนี้ก็ชื่อ อยตที่รับมีสองชนิดที่มีวัตถุ ก, กำบังและเห็นไม่ได้พอจะเสพไม่ทุนได้หรือเรียกสั้นว่าที่รับตาดังในสิขาบทก่อนหนึ่งที่แจงแต่ห่างพอจะพูดเกี้ยวมาตุขามได้หรือเรียกสั้นว่าที่รับหูดังในสิขาบทนี้หนึ่งอิริยาบถนอนท่านจัดเป็นประโยคแห่งอาบัติ ส่วนอิริยาบถยืนเป็นประโยคแห่งอนาบัตินอกจากนี้พึงรู้โดยอธิบายดังกล่าวแล้วในสิกขาบทก่อนอนิยอสิกขาบทเหล่านี้ควรถือเป็นแบบสำหรับอธิกรณ์อันเกิดขึ้นถ้ามีผู้กล่าวหาภิกษุและข้อความที่กล่าวหานั้นถ้าเป็นจริงมีโทษโดยหลักฐานละเมิดพระบัญญัติอันให้ต้องอาบัตินั้ น, น, นเช่นนี้ ควรพิจารณาถ้าไม่ถึงเป็นอาบัตไม่ควรพิจารณาอธิก่อนนั้นที่พิจารณาอยู่ถ้าไม่มีผู้อื่นเป็นพย า, ยานเป็นการตัวต่อตัวควรฟังเอาปติญญาของภิกษุถ้ามีพย า, ยานอื่นเป็นหลักฐานโดยทางพิจารณาถือว่าฟังได้แม้จำเลยปฏิเสธก็ปรับอาบัตได้